203. ความวิปลาสของคนจึงต้องเรียนรู้อย่างสำคัญคนที่ยังไม่ใช่อรหันจึงต้องเรียนรู้ความวิปลาสสามนี้อย่างสำคัญเพราะถ้าหากผู้ใดยังเหลือเชื้อวิปลาสในความเป็นปรมาถธรรมอยู่แม้ส่วนน้อยนิดก็ยังเป็นอวิชาที่น้อยนิดนั้นแหละอยู่ แม้แต่ผู้สำเร็จขั้นอรหันได้แล้วปานนั้นก็ดีก็ยังมีส่วนแห่งวิปลาดได้อยู่เลยแต่เป็นเรื่องเล็กๆ เ, เรื่องน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตรหรือเรื่องร้ายแรงอะไรยิ่งเป็นอรยิยสัจก็ยิ่งไม่มีผิดแน่ซึ่งอรหันจะวิปลาดบ้างก็แค่สัญญาวิปลาด การกำหนดหมายบางครั้งบางขาวผิดเพี้ยนไปได้บ้างเช่นจะพูดกำหนดหมายถึงสิ่งนี้แต่พล่ไปพูดเป็นสิ่งอื่นเป็นต้นหรือกำหนดหมายอะไรไม่ตรงตามที่ชาวโลกเขารู้รู้กันพูดไม่ตรงตามชาวโลกที่เขากำหนดยึดถือกันสมมติสัตว์จะท่านผิดท่านเผลอไปได้ไม่ตรงตามเขาได้อยู่ ส่วนปรมัาถาศัจจานั้นท่านไม่ผิดเพี้ยนไปหรอกแต่ปรมาถาศัจจะที่ท่านกำหนดหมายอยู่แน่นอนว่าไม่ตรงกับชาวโลกที่ชาวโลกส่วนใหญ่เขากำหนดหมายยึดถือกันจนถึงขั้นผู้ที่ฉลาดในความเป็นโลกที่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นโลกอย่างยิ่งก็จะเห็นว่า อรหันผู้นี้คือผู้วิปริตผิดผู้คนเพอเจอร์ไปแล้วจริงๆทิศทิของอรหันนั้นไม่วิปราชแล้วแน่จิตก็ไม่นับว่าวิปราชส่วนสัญญานั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นเครื่องใช้ทำงานอยู่ตลอดกาลแม้จะจบจิตเป็นอรหันแล้วจึงบกพร่องได้บางครั้ง